ดีเอาออกทิ้งไปบ้านเราจะได้สดใสเสน่ห์จันไรจะต้องไม่มีเพวาจะลงรักษาเสน่ห์จะมาบ้านก็อามาเคต ส, ส ด, ดีเลยพ่อเคยเป็นทหารผ่านสิบมาก่อนเป็นนักเลงรุ่นเก่าไม่ใช่อนุพันหัวไม้มีคาถาอาคมพอตัว เคยเห็นพ่ออมน้ำมนเป่ากระหม่อมให้เด็กข้างบ้านหายตัวร้อนเวลาเดินทางไกลไปงานบวชงานศพต้องร่ายเวกคาถารอมรับเครื่องรุ่นเก่ามาห้อยคอเป็นคนขยันนมาหากินเคยดักนกดักปลาตีไก่ดื่มสุราเล่นการพนันบ้ากเคยทอดกระถิะนผ้า ป, ป่าจัดบวชลูกชายสองคนป่วยเป็นมะเร็งทีปอด เป็นเลือดก่อนเสียชีวิตก็ได้รักษาตัวตามแผนโบราณบางครั้งมีผู้แนะนำว่าให้กลืนจิงจกเป็นเป็นพ่อก็ทำแต่ก็ไม่หายเสียชีวิตเมื่อปี30อายุ64ปีที่โรงพยาบาลไม่น่าเชื่อนะกลืนจิงจกเป็นมีจริงๆน่นเลแม่เป็นคนใจบุญ ไปวัดทุกวันพระไม่เคยว่าร้ายใครใจเย็นเมื่อพ่อตายแม่ใครพี่ชายคนโตมาดูแลไรนาแทนพี่ชายคนโตนั้นครบครเครื่องเรื่องอใบยมุข<อ>ทั้งสุรานารีการพนันเที่ยวกลางคืนส่บุรีที่สภัายก็เป็นคนที่ม่ค่อมสนใจเรื่องการทำบุญปลายปีสองห้าสี่สองแม่เริ่มหลง เดินนี้น้อยลงปีสองห้าสี่สามหลงมากขึ้นสุดเร็วมากชีระาอุจระอยู่กับที่นอนลูกทา ง, งานทั้งวันเสาร์ที่ก็ได้ ก, กลับไปปฏิบัติึ้นแม่หาซื้อของไปให้เกียอาบน้ำตัดเล็บตัดผมซักผนุ่งผ้าปูที่นอนหาวิทยุเทพธรรมะไปเปิดให้ฟังให้แม่ท่องสัมมาอรหัง แม่พิมพ์ลายนิ้วโป้งสร้างลานทำมห้ได้รวมบุญทุกๆบุญที่ลูกทำตลอดแต่ก็ได้รับการขัดขวางจากพี่ชายเช่นปลดรูปพระธรรมกายธรรมกายเจดีย์ที่ติดให้แม่ดูออกไปชอบไปลูกมาวัดพระธรรมกายเขาจะด่าว่าลูกเสมอ ท, ทั้งที่ลูกได้ช่วยเหลือเจือจุนเขาทั้งครอบครัวช่วงท้าย แม่เริ่มกินอะไรไม่ได้ต้องใช้อาหารเหลวฉีเข้าปากว่อถึงวาระสุดท้ายแม่มีอาการแปลกซึ่งจุดนี้ลูกก็สงสัยมาตลอดว่าเพราะอะไรทั้งร่างทัางก็ไม่ได้ไหวตึงมีแต่มือที่ขวายว้าปากกับฟันขบกันทั้งที่มีเพียงฟันหน้าสี่เดียวก็ทำให้ปากถลอกตาลืม แต่มีแววตาแปลกๆบางครั้งก็เหมือนกโกรธบางครั้งก็เหมือนเจ็บปวดสภาพผอมมีแต่หนังหุ้มกระดูกชาวบ้านกับพูรแม่นไปอยู่แล้วเนี่ยมีแต่วิญญาณปอบแถวนั้นมาเข้าสิงวันที่ห้าธรนาคมสองห้าสี่สามญติกระดตระพระพระรูปหนึ่งรูปภาษากขมนมาทำวิธีส่งวิญญาณ แต่สายสินวพันธ์มือคล้ายมัตตาสั่งอพภาขาวโครมหัวถึงเท้าสวดบทพระวิธรรมฉะนั้นมนมาปัดมาพรมแม่ก็มีอาการสงบลงมากควายคว้าบ้างนาะนครั้งวันที่เจ็ดธันวาแม่ก็สิ้นอย่างสงบส่วนตัวลูกเองนะ่ะเคยช่วยงานชมรมพุทธตั้งแต่สมัยยังเรียนหนังสืออยู่จากที่ทัศการทางก้านา จัดงานบวช ธ, ธรรมธาญาติวัดเบนจึงงานรักษาระเบียบทิวัดในวันอาทิตย์จึงงานลงครัวไดร่วมบุญทุกอย่างไม่เคยที่งานบุญที่วัดเลยแม้จะจบออกมาทำงานแล้วตั้งแต่กระถินยายเหล่ารูปหลวงปู่ดุทองคำสร้างพระธรรมการไปรจำตัวให้กับตัวลูกพ่อแม่พี่สาวหลานพี่ชายคนรองคนลงุนลงและอีกหลายองค์ สร้างพระแกนกลางให้กับหลวงพ่อด้ยวยค่ะและอีกหลายๆองค์ค่ะเป็นประธานกรถินหนึ่งแสสร้างวิหารหลวงปู่ผ้าป่าสามพันวัดกรถินพระราษฎเป็นต้นลูกก็ทําบุญอุทิศกุศลให้กับท่านทั้งสองเสมอพระกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าเพราะผลกรรมอะไรที่ทําให้ท่านทั้งสองมีจุดจบอย่างนี้ตอนนี้ท่านไปเป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนได้รับบุญที่ลูกทําไปหรือให้หรือไม่ ลูกเคยทำกรรมอะไรวากับพี่ชายคนโตถึงทำให้เขาไม่ค่อยจะชอบหน้าลูกเลยถามคำถามเอาแม่ก่อนมันเป็นเรื่องฝันในฝันนะรเราฝันในฝันก่อนนั่งธรรมะแม่เนะ่ไม่ได้ถูกผีปอบเข้าสิงนะลูกนะแต่ที่มีอาการข่อยคว้านะ ขอบเกี้ยวเกี้ยวฟันปากถลอกเพราะแม่โกรธแล้วก็น้อยใจลูกชายคนโตที่ไม่ปฏิบัติ ด, ดูแลแต่พูดจ้าก็มาคอยจะดีกับแม่เลยเก็บกดมานานมาแสดงออกในช่วงสุดท้ายของชีวิตทำให้จิตไม่ค่อยโปองใสรับแต่ว่า ตอนสุดท้ายก็ได้เห็นพระที่มาสวดก็ทําให้ใจดีขึ้นแม้บางช่วงจะรู้เรื่องบางไปรู้เรื่องบางเพราะหลงะครับแต่ก็ไม่มากใจดีขึ้นไม่มากไม่ใสไม่หมองอะไรบุญมันก็จะได้ช่องเนี่ยเห็นไหมไอ้ช่วงเนี้สําคัญนะจ๊ะสาคัญมาก แต่ยิ่งไม่รู้เรื่องรู้ราวนึกกับผีปอบเข้าแล้วปายกันใหญ่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อท่านตายแล้วท่านก็เลยไปเกิดเป็นยักษ์ินีในระดับกลางเป็นนางสาวยักษ์ชั้นจตุมหาราชิกามีวิมานเป็นเงินในอดีตเคยเป็น ลูกผู้ชายเป็นตัวแม่นเนี่ยเิดเกิดเป็นลูกผู้ชายเป็นลูกแต่เป็นผู้ชายเนรับของพ่อแม่ในชาตินั้นท่านก็ไม่ได้ปนิบัติบิดามารดาแล้วก็พูดจะให ท, ทั้งสองนะจำใจอกคุโรกรรมนั่นก็ทำให้มาเจอลูกชายอย่างนี้ อ, ะอ่ะในชาตินี้เนี่ยครับและปล่อยให้ใจในบนเวียนนึกถึงแต่ลูกชายนี้ตลอดอะ่ะเป็นช่วงๆเลยใจไม่ค่อยใสยอะไระครับบุญก็ไม่ค่อยจะได้ช่องแม่เห็นไหมจ๊ะ ทำบาปกุศลเงินชาตินึงเนี่ยมันตามไปอีกชาตินึงตามลาวีไปถึงตรงนู้นนะจะทําให้เราไปเจอในสิ่งที่เราไม่อยากเจอพอไม่อยากจะเจอเข้าใจก็หมองนะพอหมองไม่ผ่องใสนี่อันตรายนะสำหรับการเดินทางไปสู่ปรโลกส่วนพ่อเนะ่ะท่านมีความทุกข์ทรมานจากโรคมะเร็งมากนะลูกนะ หายใจไม่ค่อยจะออกเหนื่อยจิตก็เศร้าหมองทุกทรมาเดโรภายไขเจ็ตทำให้ภาพอาจินตกรรมไม่ดีหลายอย่างดักนกดักปลาดื่มสุราอะไรต่างๆยาเยอะแยะไปหมดเลยเยอะยะก่าสัตว์ชีวิตบุรี สู่ไปสู่ไปแต่ให้เป็นโรคนี้เนี่ย<ช>บริเวงในปอดอะบริเวงที่ปอดไอไปเลือดทำให้ใจท่านหมองตายแล้วก็ไปอบายไปอยู่ในมหารกขุมหา้าเ็าทำลายตัวเองเนี่ยด้วยการโสบุรี เติมเล่าบ้างอะไรต่างๆแล้วนั้นสุภุรีนี่มันสบายตอนแรกนะแต่ตอนท้ายเนี่ยมันหมองเนะรับทำให้นึกถึงกุศลละกามไม่ออกภาไม่ดีต่างๆเลยลุ่มกันเลยได้ช่องลุ่มมุนเนี่ยเลยตายแล้วไปขค ม, มา่า ไปถูกนานิริยาบาลเอาแท่งเหล็กร้อนคล้ายบุหรี่ขนาดยักษ์จี้เข้าไปในปากค oh. วันกรดก็เข้าไปในตัวละลายตายพอฟื้นมากระโดนน้ำกรดก่อกปากตามไปด้วยพอกรมสุรา oh. พอตายแล้วฟื้นก็โดนกรรมปานอฏิบัติ oh. มีวัตต่างๆที่เคยฆ่าสัตว์พุ่งมาทิ่มแทงตัวเองรอบตัวเลยมันห oh. ลายๆกรรมมารวมกันหมดเลยสันช่วง <Okay. S 1> นะี้ เพราะฉะนั้นบุญที่ทำไปตอนนี้เนี่ยถ้าไปด้วยวิธีธรรมดามันยังได้ไปเต็มที่แต่ก็ทำให้ดีขึ้นในรับลดหย่อนพรนโทษแต่ว่าบุญส่วนใหญ่ไปคอยที่ยมโลกต้องไปคอยตรงนั้นแล้วก็กำลังบุญคือลูกสาวทำให้มันก็ยังไปไม่ถึงเต็มที่เพราะบาป อฏิเนกรรมที่พ่อทำมันมาขวางไว้แต่ก็ทำไปเรื่อยๆนะลูกนะทำไปเรื่อยๆก็จะค่อ ย, อยๆดีขึ้นไปนะ่ะเพิ่งไปท้อย่าเพิ่งไปตกอกตกใจเศร้าโศกเสียใจอะไรตามกันต่อไปส่วนแม่ในแต่รับบุญในเวลาต่อมาสภาพตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมนะดีขึน้นตอนไปใหม่ๆ มีมานที่เป็นเงินก็ค่อยๆดีขึ้นสุขใสขึ้นสว่างขึ้นส่วนของพ่อนี่ก็ต้องเข้าถึงธรรมกายเนี่ยแหละแล้วก็ศึกษาวิชาธรรมกายถึงจะไปช่วยได้โดยวิธีพิเศษอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปทุกข์ใจแล้วก็อย่าไปท้อใจ ต่างหน้าต่งตาสร้างบุญสร้างบา ร, รมีกันให้มันเต็มที่เลยปฏิบัติทําให้เขาถึงน้มืกายแล้เดี๋ยวไปช่วยได้นะจ๊ะส่วนที่ตัวเองไม่ถูกกับพี่ชายเนะี่ยไม่ได้มีกรรมอะไรกับพี่ชายหรอกแต่ว่าเป็นกรรมของตัวเองกรรมแน่ดีดเนะี่ยคบคนผ่านตอนนั้นเป็นผู้ชายก็ชอบช่วยเหลือสนับสนุนให้กำลังกับคนผ่าน เช่นให้เงินให้ทองไปกินเหล้าไปเล่นการพนันเป็นต้นครับสามม์เสมอเลยเป็นอาจินตกรรมเลยก็เลยมาเกิดร่วมบิดามันเดียวกันเดียวกันกับคนพาลคนพานก็มาเกิดร่วมด้วยครับเพราะเศษกรรมที่ตัวได้ทำเอาไว้ครบคนผ่านครับก็มาเจอคนผ่านก็ อดทนเอาหนาลุกนะนะไม่สนทนอย่างเดียวแล้วก็ทำความดีเรื่อยไปอธิษฐานจิตให้เจอแต่บัณฑิตอย่าไปเจอคนพาลเลยนี่ก็เป็นเรื่องราวของเค s สต t ด d สั้น